เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องคนมือด้วนลักกะทะคนมือด้วนไปลักกะทะเจ้าของกะทะจับได้คาหนังคาเขา เขนานำตัวมาที่สถานีตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินชายมือด้วนปฏิเสธเสียงแข็งพร้อมทั้งชูแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะดูสิครับท่านมือผมม้วนทั้งสองข้างอย่างนี้จะละกระทะของท่านได้อย่างไรผมมันซวยแท้ๆ ท, ที่ถูกกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงเจ้าหน้าที่รับสมอ้าง เออจริงของแกมือมาอย่างนี้จะรับกระทะได้ยังไงพลางหันไปทางเจ้าของกระทะพูดว่าแกนี่บาปหนาไปโทษคนพิการหาว่าเขาขาโมยดังนั้นข้าพเจ้าขอปราบให้กระทะใบนี้เป็นของขวัญแก่แกที่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมเจ้าของกระทะหน้าเสียบ่นพึมพำว่า เรามันเคราะรา้ายกระทะของเราแท้แท้กลับกลายตกเป็นของคนอื่นเจ้าขโมยมือด้วนดีใจตรงเข้าไปที่กระทะเอาแขนด้วนสอดเข้าไปในหูกระทะยกขึ้นครอบสีษะพร้อมกับผิวปากด้วยความโชคดีเดินดุมๆุมออกไปทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหนบอกว่า มือด้วนลักคทะไม่ได้ยังไงล่ะอย่างนี้ต้องเข้าคุกเจ้าหน้าที่กล่าวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปฏิพานไัยพริบนั้นช่วยได้เสมอ